รุ่งอรุณที่สุขโตตอนคุณค่าแห่งปัจจุบันการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าทากรรมฐานสมาธิภาวนาหรือการบาเพ็ญเพียรทางจิตจุดหมายเบื้องต้นก็คือหาที่พักให้กับจิตใจของเราจิตใจของเรา ที่ผ่านมาอาจจะระเหยเร่ร่อนไปโน้่นมานี่ดิ้นรนกระเสือกกระสนเรียกว่าเร่ร่อนจรจัดก็ได้หลุงพ่อคำเขียนท่านเรียกหนักยิ่งกว่านั้นท่านเรียกว่าจิตสัาสอนหรือโซเพนีจิตเรามาปฏิบัติก็เพื่อหาที่พักให้กับจิตใจของเราเขาจะได้มิตลอนตลอนออกไปข้างนอกแล้วก็ไปติดกับดักแห่งโลภะ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 เมื่อจิตมีสิ่งกระตุ้นน้อยก็ฟุงส่้นน้อยลงความคิดแล่นช้าลงไม่ออกมามากสติที่งุ้มงามเชื่องช้าก็พอจะสู้กับมันไหวคือพอจะไล่าตามทันมันบ้างเรียกว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันถ้ามีสิ่งกระตุ้นจิตมากความคิดจะออกมามากและเร็วสติที่งุ่มง่ามจะไล่าตามไม่ทันมันก็จะแพ้อยู่ร่าไป ผู้ปฏิบัติก็จะเกิดความท้อถอยได้ง่ายแต่ถ้าพยายามทําให้ความคิดมันเฉืยลงสติก็จะตามทันความคิดและมีกําลังมากขึ้นจนกระทั่งความคิดเพียงแค่โผล่ออกมาไปไม่ทันถึงไหนก็ถูกสติตามทันจนไม่อยากจะออกมาเลยถึงตอนนั้นเราถึงค่อยกระตุ้นความคิดให้ออกมาบ้างเช่นเตือนให้ไวขึ้นสร้างจังหวะให้เร็วขึ้น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 พอเห็นไม่มีที่พิงที่ยึดมั่นมันก็ไปต่ออันนี้คือเหตุผลว่าทําไมต้องสร้างอิริยาบถเคลื่อนไหวเสมออย่าไปยึดติดอยู่แค่อิริยาบถสองอย่างคือสร้างจังหวะกับเดินจงกรมเท่านั้นไม่พอเพราะเวลาเรากินข้าวถูฟันเราสร้างจังหวะไม่ได้เราก็ต้องใช้การเคลื่อนไหวในอิริยาบถนั้นๆแหละเป็นที่ให้จิตมากอ่อ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 คนที่ปฏิบัติโดยไม่ผวงถึงวันกลับคิดแต่ว่าจะทำตอนนี้ให้ดีแบบนี้จะปฏิบัติโดยไม่เครียดหรือเวลาทำงานก็คิดแต่ว่าจะทำตอนนี้ให้ดีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่สนใจงานจะเหลืออีกมากเท่าไหร่ก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ถ้าทำใจได้แบบนี้ก็จะสนุกกับการทำงานเหมือนกับเวลาเราเดินถ้าใจเราไปอยู่ที่เป้าหมายแล้ว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 แต่ละขณะ น, นี้ถ้าเรามองให้เป็นก็เสร็จอยู่ทุกขณะเตืนแต่ละก้าวก็ถึงทุกก้าวการทำงานถ้าเรามีสติก็เสร็จถึงทุกขณะแต่เมื่อไรเราเผลอไผลถาลายไปคิดถึงอนาคตว่าเมื่อไรมันจะเสร็จสักทีก็เตรียมใจทุกได้เลยถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันเราจะมีความสุขกับกิจนั้นๆ